เอ่อต่อนี้ไปขอท่านกันยายน 2532 คุณป้าคุณ wat gaat er met in? om dan แล้วก็ถ่ายทอดเวลาวิทยุเวลาเช้าระพื้น มาประสานมา 10 ตัวพอหลังจากที่คุยกันแล้วก็ปรากฏ พอจะเข้าประตูภีตุก็หยุดหัน <c oughs> 12 เมตรยาว 24 เมตรชั้น 3 9 ห้อง ห้องส้วม swoem niet saai door een baan nu. Ik. De waarheid die maar de kaasbeugel is niet wit als hier. Hier gebruiken we witte beugels, mooi echt. In de baan een beugel met niet de ก็สว่างประมาณ 3 แหล่งเทียนมาไว้ข้างหน่อย Got ถือว่าเป็นพุทธบูชาหรือพุทธานุสติไม่เรียกสถานที่เธอก็ถามว่าใน een ข้างนอกข้างในในห้องนอกห้องเดินไปเดินมาก็ <c oughs> คนน้อยก็ตะวะหนูหลวงปู่เคยเล่าให้ฟังว่าผี มันก็ทำอะไรไม่ได้ก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าปล่อยมันอะไรถ้าจะหยิบหวยมันนั้น <c oughs> Man mij kring, man mij Man man die ik u micro. Tegen nuk ook Die medieu kan noel, dat hij achtet aarde, dat hij achte aarde, dat hij achte aarde, man. แต่ในคราวบารมีพระพุทธเจ้าช่วยทางนึกภาวนาว่าพุทโธพอนึกถึงบารมีพระเจ้าก็ๆเรา ความจริงสับอภิโทนี่หนูใช้เป็นปกติก็จะเห็นภาพพระพุทธเจ้าใสเป็น พระภาฟังจากพระหนูปู่ท่านอธิบายในวิหารร้อยเม็ดท่านบอกว่ามโนยทิคือมีฤทธิ์ทางใจ แต่ว่ากรรมฐานที่เป็นพื้นฐานของมโนยิทธิก็คือ 1 อานาปานสติคือว่ากําหนดรู้ลมหายใจ 2 พุทธานุสตินึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่ง 3 กสิณเวลานึกถึงภาพพระพุทธรูปถ้าพระพุทธรูปเป็นสีเหลืองก็เป็นปิตตกกสิณถ้าพระพุทธรูปเป็นสีขาวก็เป็น ถ้าพระภพรูปเป็นแก้วใสก็ก็เป็นอโลกาสิงห์อย่างที่หนูเห็นพระพุทธเจ้าปัจจุบันเวลานี้ป้าน้อยก็ย้อนถามว่าเวลานี้จุลัยหลานรักกําลังเห็นพระพุทธเจ้าใช่มั้ยจุลัยก็บอกว่าใช่เจ้าค่ะพระพุทธเจ้า nu, chai hebben bij jamban, ta jong dun, wang para kip nipping, jan ligt hem de in pav tang. kon ben pav ni mit. Waar nooit gobokwa, ja, Mee kan. คือ 2 พุทธานุสติ 3 กสิณแล้วก็ 4 ตอนหลังเค้าจะสอนได้วิปัสสนา ก็ถามว่าไปไหนคุณป้าน้อยก็งงเหมือนกันเพราะครัวนี่ป้าไม่เคยเข้ามาเลยหนูนี่ดีดีกับป้านะป้าเข้ามาเพราะหนูจุไรก็ถามว่าเราจะไปไงลองเดินลงลงเดินลงบันไดดีมั้ยป้าน้อยก็บอกว่าถ้าอย่างงั้นก็ถามลุงดิงดงดิงกับป้านาคก็แล้วกันจุไรถึงก็บอกว่าผมป้านาคคะหนูจะไปชั้น 2 ได้มั้ยป้า ตาเรียกว่าตาถึงประตูลง ก็เดินลุกบันไดวนลงไปถึง ตุ๊ดตัวเห็นเข้าก็ต่างวิ่งกันมาส่งเสียงทำท่าจะทำร้ายจนไหลกับป้ามากกับป้าน้อยป้าน้อยก็บอกว่าป้าหน้าน่าเจ้าคะโรงพยาบาลเขามากันแล้วป้าหน้า พ่านนาคกับลุงหินไม้หินสําหรับนั่งใน พ่อน้อยก็บอกก็ไม่ทราบเหมือนหนูปรานี่พระมหาธวัญกับคุณลุง แต่คณะพระมหาเถววัณคณะเอ่อหรือเรียกว่าคณะ <c oughs> แต่ปรากฏก็เข้ากินเพราะท่านให้ด้วยความเต็มใจถ้าเข้าหลานดิบนิดนึงก็ดิบไม่มากแต่ใจของท่าน Reklaisen abliezen z in её bese graftростie. De privažade je zes, porключat jeื่ type kaživil naven manieren. Beklezen jamais tanden omů te landos. incidental, kan van bahag manding in我們 k in de plafeling en van die jeạ togry van nu. La van de de niet en daarin piep na, dan, lijf, om, mi, kunt, dan, kunt, dan, hai. En, koga, hai, hij bang, hai. Kunt, dan, kai, chut, bang, bang. Ben, en, wa, dom, som, bun. Tuurlijk, dat, hang, don't pie, wak, ka. chai, leer. Ik heb een p-mail in heb in de hand. Ik heb een p in de hand. Ik heb een ในที่สุดหลังจากเทอม 2 มาแล้วลูกปู่ก็เข้าบรรพะข้อ ik heb Ik heb een aantal vragen gesteld. Ik heb een aantal vragen gesteld. Ik heb een aantal vragen een aantal vragen gesteld. Ik heb een aantal vragen een aantal vragen gesteld. een aantal vragen gesteld. Ik heb een aantal vragen gesteld. Ik heb een aantal vragen คืน 1 ต้องมีการรู้จัก 2 พูด 3 ช่วยเหลือการ 4 ไม่ 4 พรหมวิหาร 4 คืน 1 เมตตา 2 กรุณา 3 มุทิตา เห็นใครด้วยสีอุเบกขาวางเฉย 5 บวกกับ 1 ไม่ 2 ไม่ 3 ไม่ 4 ไม่ดื่มสุราและเมไร ทางด้านจิตใจจิตใจไม่อยาก นักเรียนหอพักไป 100 เมตรแล้วก็ร่วมกับ ถ้ารุ่นน้องต่อไปก็อันนี้หลวงปู่ก็ขอ 600 บาทแต่การกิน 16 บาทไม่ 20 บาทก็เป็นค่าไฟฟ้าซะบ้างค่า ยาลดลดลด 4 บาทก็เป็นอันว่าแต่ว่าพวก ไม่มี 20 บาทเนี่ยเอ่อเสียโน่นเสียนี่เสร็จแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เป็นค่าอาหารมันก็ไม่พอสําหรับนักเรียนไปกลับไม่ต้องเสียอะไรเลยคือมีหน้าที่มาเรียนเสื้อกางเกงเสื้อนูผ้าเครื่องเครื่องแต่งตัวนี่คนละ 2 ชุดหนังสือเรียนก็ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์การ ตุลัยก็ถามว่าคนพี่เจ้าคะกินการกินที่นี่ต้นจํากัดลูกถ้ากินเกินขอบเขตหลวงปู่ท่านไล่ไปจากที่นี่เธอก็ถามว่าพี่เจ้าคะการกินจํากัดหลวงปู่ให้กิน ท่านจํากัดไว้ว่าห้ามกินเกินอิ่มถ้าใครกินเกินอิ่มน้องปู่ท่านไล่ๆชามโค้งขนาด เนื้อแกงกับข้าวที่โปะลงไปก็โปะหนามากคุณป้าจำปีเป็นหัวหน้าแม่ครัวใหญ่เป็นแม่ครัวใหญ่ทำอาหารก็อร่อยอาหารเช้า ซึ่งพี่ก็บอกว่าเท่านี้พี่จะจบแล้วปีนี้ 4 ปีผู้ไล่ก็งงเธอเลยบอก ก็บอกว่าพี่ 3-4 คนนั้นไม่ไปไหนน้องๆจะอยู่ที่นี่แล้วอยากจะอยู่หลายคนกว่านี้คือว่าจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคือเรียนอยู่ที่นี่แล้วก็ช่วยกันงานที่นี่เพราะทุนพี่ไม่มีแล้วปู่จัดทุนให้ท่านจัดทุนให้คนละ 18,000 บาทคือค่าหนังสือเรียนเสื้อผ้าไปสถานีค่าอะไรต่ออะไร แล้วก็ค่าอาหารให้เดือนละ 6,000 บาทแล้ว 2,000 บาทรวม 80,000 บาทแล้วก็ยังค่าเสื้อ ปู่ จุไลมองปามองไปก็เห็นพวกพี่กําลังต้มถามพี่ต้มอะไรอยู่ครับพวกพี่ก็บอก ก็ไม่ได้ทํากับข้าวหรือท่านพี่ก็บอกไม่ใช่กับ 100 ตัวกว่ามีป่าๆหน้ากับลุงนี่นั่นน่ะเป็นเปื้อนตัวต่อมาก็ 200 ตัวถึงก็ถามว่ากิโลก็กระดูกหมูกระดูกไก่น้ํา ต้นพี่ 20 กก. เศษต้มแล้วก็เลี้ยงกันตอน 2 ทุ่มกินฟรีจุลัยก็บอกว่าเธอก็ถามว่าถ้างั้นพี่ พี่ก็บอกว่าไม่เคยกินน้องเคยจะชิมลอง 2-3 คนร่วมกัน พี่ก็เธอก็ถามว่าใช้อะไรเป็นกับคุณพี่ก็บอกใช้ตับต้มเป็นกับตับต้มแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือบางครั้งคุณป้าจําปีก็ซื้อไก่ย่างมาก็สับเป็นชิ้นเล็กๆเค้าเธอก็ถามว่าประมาณกี่ กก. ตุลัยก็ตกใจก็ถามว่าผสมเท่านี่หนูไม่ค่อยได้รับทานหรอกคุณแม่เป็นคน ก็ตกใจว่าเอ้อคิดเป็นถึงคิด 20 ถุง weerani, het is mijn lela, ploeglum, piet en ploegpaar, ik wil lenen. En dan, als het is, als het is, als het is, als het is, als het is, als het is, ตุลัยก็งงเรื่องอาหารเข้าสุนัขแต่ก็พูด 6,000 บาท wat een hui, long ling, jamaat, panak, ma, kringkoor, red, taka, zong, an, liang. Ta, ma, tanga, hui, de, lu, ma, kon, urn, kon, en, jap, hot, zonak, doi, dron. Zonak, jing, ma, kun, ta, lai, mi, kak, kui, kon, we, lani, mot, pendok, beer. beer, bang, bang kromkwaar soorten die met een sprookje kwam, een donkere boel, toch is het een soort die met een sprookje in een donkere boel. Toen hij het zei, zei hij dat hij het niet meer zou doen. Toen hij het zei, zei hij dat พี่นี่ชื่อแก้วนะแล้วก็พี่พี่คนนี้ชื่อติกแล้ว ตายจากที่นี่ร่างกายเวลานี้ไม่ใช่คนแบบนี้สิดูไม่ล่ะเธอ